ขออัญเชิญพระวจนะของพระเจ้ามาอย่างพี่น้องทุกท่านซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่ยี่สิบข้อที่ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเกความว่ามโนธรรมของมนุษย์เป็นประทีปของพระเจ้าทรงดูส่วนลึกที่สุดของเขาทั้งสิ้นความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์สงวนพระราชาวไว้ และความชอบธรรมก็เชิดชูพระที่นั่งของพระองค์ไว้ศักดิ์ศรีของคนหนุ่มคือกำลังของเขาแต่ความงามของคนแก่คือผมหงอกของเขาเผยพระวจนะของพระเจ้าในหัวข้อขอคารวะโดยศาสนาจารย์สันติแดงเรือนขอรินเชิญค่ะ วันนี้วันอาภโสนะครับต้องกราบคารวะครั้งหนึ่งครับผู้อาโสทันทีรักทุกคนนะครับและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ผมได้มีโอกาสแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วพิจักเราก็จัดวันเด็กวันสตรีวันอนุชนครับวันครอบครัวและวันอวุโสก็เป็นวันที่ที่ใหญ่ ที่เราได้จัดนมาส ก, การพระเจ้าและเป็นการรดน้ําขอพอเรเพื่อให้เกียรติแก่ผู้อาวุโสเราหลายคนก็จะคิดว่าเราเอาอายุใช่ไหมวัดความเป็นอาวุโสหรือเอาความจำเช่นภาษิตธที่บอกว่าคนที่มีอายุเยอะก็ชอบเล่าความหลังคนเฒ่าชอบเล่าความหลังแต่เปล่าครับ บางทีคนหนุ่มก็ชอบเล่าความหลังเหมือนกันบางทีก็บอกว่าผู้อาวุโสขอภัยคนแก่ก็ลืมมีตายายคู่หนึ่งที่เขาเล่าเล่ า, ลาต่อต่อกันมานะครับที่บอกว่าชอบลืมแล้วก็ไปพากันไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่ามันไม่ยากหรอกที่จะแก้ไขป้องกันการลืมนั้นก็คือว่าคุณตาคุณยายต้องมีสมุดจดไว ก็ไม่ไดใ้ให้ยาอะไรเลยครับแล้วก็กลับบ้านขณะที่ตอนเย็นตายกับยายนั่งดูโทรทัศน์ในห้องพักผ่อนยายตาก็ลุกขึ้นแล้วยายก็ถามว่า น, นั่นตาจะไปไหนนะโอ้ฉันจะไปดื่มไปหาน้ํามาดื่มเอาอะไรไหมยายก็บอกว่าเอาจ้ะตาช่วยเอาไอติมมาให้หน่อยแล้วตาก็เดินไปยายด้วยความเป็นห่วง ยายก็บอกตาเอาสมุดไปจดด้วยหมอสั่งไว้ตาก็ตอบว่าแค่ไอติมในตู้เย็นทำไมฉันจะจำไม่ได้อย่างเดียวเองแล้วคุณตาก็เดินหายไปในห้องครัวสักพักใหญ่ด้วยความเป็นห่วงยายก็ถามตะโกนถามว่าตาตาเอ้ยได้หรื อ, อยังเสียงตอบมาไกลๆจากห้องครัว จ้าได้แล้วจ้ากำลังไปจ้าครับเมื่อคุณตามาถึงห้องดูทีวีในจานก็มีเบคอนไส้กรอกพร้อมกับซอสมะเขือเทศเมื่อยายเห็นสิ่งของในจานแล้วก็บอกว่าเห็นไหมตาฉันบอกแล้วไงว่าให้เอาสมุดไปจดไหนอะขนมปังที่ฉันสั่ง ต่างคนต่างลืมนะครับก็เป็นเรื่องเกล้าที่ทําให้เราเอ่อทําให้เรานั้นมีความสุขนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เราทั้งหลายก็ได้ให้ความเคารพกับผู้อาวุโสกว่าองค์การสหประชาชาตินั้นได้ให้กําหนดผู้อาวุโสไว้เป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มที่กลุ่มแรกคือผู้อาวุโส ต, นตอนตอน้นอายุ 60-69 และผู้อาวุโสตอนปลายนั้น ก็อายุเจ็ดสิบขึ้นไปซึ่งแท้ที่จริงแล้วผู้อาวุโสเป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับลูกหลานให้กับสังคมให้กับคริสตจักรให้กับประเทศชาติท่านเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าที่เราควรให้ความเคารพนับถือยกย่องเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนที่อ่อนวัยกว่านั้นเป็นประเทศที่ดีงามที่เราจะเคารพยกย่องและตอบแทน พระคุณบุญคุณและเอาแบบอย่างที่ดีงามของท่านนั้นมาดำรงชีวิตเพื่อว่าเราได้ดำเนินตามสิ่งที่ท่านได้วางแบบอย่างนั้นไว้ความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นกับเราทั้งหลายผู้โสในพระคัมภีร์นั้นใช้คำว่า presbyteros มีความหมายว่าตามตัวอักษรว่าผู้มีอายุผู้อาวุโสผู้เท่าผู้แก พวกผู้ใหญ่พวกคู่อาวุโสผู้ปกครองและรวมทั้งคนที่มีอายุสูงกว่าอย่างเช่นในบุตรน้อยหลงหายนั้นก็ใช้คำว่าอาวุโสเช่นเดียวกันคำนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของยศศักดิ์หรือตำแหน่งแต่โดยทแท้ที่จริงแล้วนั้นยังมีสิ่งที่ความหมายที่ลึกมากกว่านั้นคือเรื่องของสติปัญญาประสบการณ์ ความรอบรู้ความเข้าใจที่ผู้อวุโสได้มีและเราสามารถเรียนรู้จากท่านพันธาสัญญาเดิมได้ให้ผู้อวุโสนั้นเป็นผู้นำเป็นตัวแทนของประชาชนและท่านก็มีอิทธิพลต่อชนชาติต่อประชากรของพระเจ้าและในพระคัมภีร์ใหม่นั้นก็ใช้คำนี้หมายถึงบุคคลที่มีตำแหน่งมีเกียรต มีความรับผิดชอบในชุมชนของพระเจ้าคริสเตียนคริสตจักรเราจึงยอมฟังผู้อาวุโสเนื่องจากท่านเป็นผู้ที่ได้รับของประธานที่มาจากพระเจ้าและท่านเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายบิดามันดาลุงป้าน้าอาผู้ที่มีวัยที่สูงกว่าเราพระธรรมสุภาษิตบทที่ยี่สิบข้อที่ยี่สิบเจ็ดได้บอกว่าได้กล่าวว่า มโนธรรมของมนุษย์เป็นประทีพของพระเจ้าส่องดูส่วนลึกที่สุดของเขาทั้งสิน้นในภาษางกฤษนั้นใช้คําว่าวิญญาณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นวิญญาณไม่ว่าจะเป็นมโนธรรมทั้งสองคือส่วนพระฉายาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างเราทั้งหลายให้มีเป็นไปตามพระฉายาของพระองค์พระเจ้าได้ประทานลมปราณ ประทานพระวิญญาณของพระองค์ให้กับมนุษย์เขาจึงเป็นผู้ที่มีชีวิตและพระองค์ทําให้เขานั้นได้มีจิตสํานึกที่รู้ดีรู้ชอบปรารถนาที่จะกระทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าประทานที่จะสแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจ้าและมนุธรรมนี้เองก็ได้รับการจารึกจากพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเราจะกระทําตามน้ําพระทัยของพระองค์ซึ่งความคิดของมนุษย์นั้น เป็นส่วนลึกที่ได้รับการประทานจากพระเจ้าไม่มีผู้ใดที่จะยังรู้ความคิดของผู้นั้นได้เว้นแต่พระวิ ญ, ญญาณของพระเจ้าที่จะยังรู้และพระวจนะของพระเจ้าก็สามารถที่จะยังรู้ความคิดมโนธรรมในจิตใจของมนุษย์แต่ละคนพระเจ้าจึงประทานพระวจนะของพระองค์ในพระธรรมฮีบรูบทที่สี่ข้อ12สบได้กล่าวว่า เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายแต่ทรงพระลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่อนไว้พ้นพระเนตรของพระเจ้าแต่ตรงข้ามทุกสิ่งปรากฏแจ้งต่อพระพักต่อพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องสัมพันธ์ด้วยนั้นมโนธรรม ที่เราได้รับจากพระเจ้านั้นจึงนำเราที่จะให้เรานั้นกระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าและพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นเราไม่ว่าเราคิดไม่ว่าเราทำในสิ่งที่ในฐานที่ที่ไม่มีใครเห็นสมัยก่อนเราบอกว่าพระเจ้าเห็นเราทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ยังเป็นนามธรรม แต่ปัจจุบันครับรูปธรรมที่เห็นง่ายชัดมากคือกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าเราไปมุมไหนกล้องวงจรปิดของทางราชการนะั้นหรือว่าของเอกชนของใครๆที่ติดไวนะ้นั้นส่องเราเห็นเราตลอดเราไม่รู้ว่ากล้องนั้นถูกซ่อนไว้ที่ไหนแต่ยิ่ยงกว่านั้นครับพระเจ้าอยู่ ที่สูงพระองค์ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราดังนั้นเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยความเที่ยงธรรมความชอบธรรมนั้นก็สามารถทำให้เรานั้นมีชีวิตที่มั่นคงดังที่พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวและผู้อบอุ่นก็เป็นผู้ที่ดาเนินตามพระวจนะของพระเจ้าในข้อที่29ศักดิ์ศรีของคนหนุ่มคือกําลังของเขาแต่ความงามของคนแก่คือผมหงอกของเขา สง่าลักษีของคนหนุ่มสาวนั้นคือแรงคือกําลังที่เขาสามารถที่จะทํางานหนักงานที่ทํางานโดยที่ไม่รู้เหน็ดเหนื่อยนั่นคือพละงกาลังคือศักดิ์สีของคนหนุ่มเขาสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมากมายและเขาสามารถที่จะรับใช้พระเจ้ารับใช้ในพันธกิจของคริสตจักรเช่นเดียวกันครับคู่อูโส มีผมสีขาวผมสีเทาไม่ได้เป็นเครื่องแห่งความขี้ลืมแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งสตรีปัญญาสงาราศีการมีความมีคุณค่าความเข้าใจที่เราสามารถที่จะเรียนรู้จากท่านได้ และสุภา ษ, ษิตบทที่ส6บข้อส1บอดก็บอกว่าศีรษะที่มีผมงอกเป็นมงกุลแห่งศักดิ์ศรีผู้ที่ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมจึงจะหาพบได้เราไม่นับผู้ที่มีฮอร์โมนผิด ป, ปกติที่มีผมสีเทาตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับดังนั้นเราจึงต้องให้ความเคารพผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์มาก่อนเราพระธรรมเลวินิติ บทที่19ข้อส2สองพระเจ้าตรัสและสอนประชากรของโปรงว่าเจ้าจงรุกขึ้นคานับคนผมหงอกและเคารพคนชราจงยำเกรงพระเจ้าเราคือพระเจ้าเราให้ความเคารพผู้อบุโสเพราะท่านเป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อความหวังใจความรักความประพฤติและท่านเป็นผู้ที่ให้พรถ้าทำ ฮิบรูบทที่เข้อที่เจ็ได้กล่าวว่าสิ่งที่ค้านไม่ได้คือผู้น้อยเป็นผู้รับพรผู้ใหญ่เป็นผู้ให้พรผู้อุโสให้พร อ, อย่างไรครับเมลคีเสเดกเมื่อท่านได้พบกับอับราฮัมที่ได้รบชนะกับศัตรูมาเมลคีเสเดกซึ่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและเป็นกษัตริย์ของเมืองซาเลมนั้นก็ได้อวยพรแก่อับราฮัม ท่านกล่าวว่าขอพระเจ้าผู้สูงสุดทรงผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินจงโปรดให้อับราฮัมได้รับพรเถิดสาธุการแด่พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงมอบศัตรูทั้งหลายไว้ในเงื้อมมือของท่านนี่คือคำอวยพรและเป็นพรที่ศักดิ์สิทธิ์ในอับราฮัมเองก็ยอมรับในพรนี้และอับราฮัมเองก็ตอบสนอง ในพระพรของพระเจ้าที่ผ่านทางเมลคีเซเดกท่านได้ยกหนึ่งในสิบของข้าวของที่ริบมาได้นั้นให้กับเมลคีเซเดกและท่านสอนให้กับลูกหลานในการที่จะถวายกับพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่หกข้อหถึงข้อ9เราได้เห็นถือว่าผู้ใหญ่ผู้อาวุโสในครอบครัว นั้นได้เพียรอุตสาหสอนถ้อยคําของพระเจ้าให้กับบุตรหลานเพื่อเขาจะดําเนินชีวิตในโลกนี้อย่างปลอดภัยและมีสันติสุขได้กล่าวว่าจงให้ถ้อยคําที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านและท่านจงอุตสาหสอนถ้อยคําเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านเมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือนเดินอยู่ตามทางและจุกและนอนลงหรือลุกขึ้นจงพูดถ้อยคํานั้น จงเอาถ้อยคำเหล่านี้พันไว้ในมือของท่านเป็นหมายสำคัญจงจะรึกไว้ที่หว่างคิ้วของท่านและเขียนไว้ที่เสาประตูเรือนและประตูของท่านผู้อุโสได้พระพร่ำที่จะสอนลูกหลานให้ดำเนินชีวิตในด้วยความยำเกรงพระเจ้าอยู่ในขรลองครองธรรมท่านอธิฐานเผื่อเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีผูอวุโสที่อธิฐานเผื่อและ สอนเราในการดำเนินชีวิตสอนเราในการที่จะอธิษฐานสอนเราที่จะมอบชีวิตของเราไว้ความไว้วางใจของเรานั้นไว้กับพระเจ้าผมเองผมจำบทเพลงที่แม่เล่าให้ได้ร้องให้ฟังก่อนนอนทุกคืนแท้ที่จริงวันนี้เป็นวันที่ครบรอบสองปีที่แม่เสียชีวิตพอดีเพลงนั้นก็คือเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าจะนอนหลับไป ผู้ที่เติบโตในครอบครัวคริสเตียนก็จะได้ร้องเพลงนี้ได้ยินเพลงนี้ที่คุณพ่อคุณแม่ร้องให้ฟังและเชิญชวนพี่น้องที่จะร้องให้ลูกหลานของท่านฟังแล้วบทเพลงนี้จะเป็นความไว้วางใจของเขาที่มอบชีวิตของเขาไว้กับพระเจ้าไม่ทราบว่าพี่น้องท่านใดพอ ร, ร้องได้ไหมครับเราร้องด้วยกันไหมครับเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าจะนอนหลับไป ขอพระบิดารักษาจิตใจหากถึงความตายก่อนตื่นจากหลับขอมอบจิตให้พระองค์ทรงรับข้าเจ้าพึงในพระไถ่เอ็นดูขอในพระนามของพระเยซูอามนอามน กลุ่มแค่อิมพกิติคุณครับร้องเมื่ออธิษฐานปิดแค่ทุกคืนครับทุกครั้งจะร้องเพลงนี้สำหรับเราทั้งหลายผู้อ่อนอาวุโส ซ, ซึ่งเป็นลูกหลานเลนเป็นคนรุ่นใหม่เราจึงควรให้ความเคารพยกย่องผู้อาวุโสพระคัมภีร์บอกว่าอย่าตำหนิชายผู้มีอาวุโส จงขอร้องเขาเสมือนบิดาจงถือว่าคนนุมๆทั้งหลายเสมือนพี่น้องและผู้หญิงผู้มีอาโวุโสเหมือนมารดาและให้ตอบแทนบุญคุณบิดามารดาเพราะว่าท่านการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระไทัยพระเจ้าพระธรรมเอฟิสซัสบทที่6ข้อหนึ่งถึงข้อสก็เช่นเดียวกันได้บอกว่าฝ่ายบุตรจงนอบนอ บ, บเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้า การกระทำอย่างนั้นเป็นการถูกจงให้เกียรติแก่บิดามันดาของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญาไว้ด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนนานบนแผ่นดินโลกเราทั้งหลายอย่าทำให้ท่านเป็นทุกข์ใจเพราะการดำเนินชีวิตที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าคู่อาวุโสจะเสียใจมากครับถ้าเราไม่รักซึ่งกันและกัน ถ้าเราไม่มาโบสถ์ถ้าเราไม่รับใช้พระเจ้าขอให้เราที่จะเป็นคนนั้นที่กระตนยูรู้คุณอย่าปล่อยให้ผู้อุปโสวาเวครับไลน์ส่งให้ท่านครับวันก่อนผมได้คุยกับผู้อุปโส ổ, หลายๆบางท่านบอกว่าเขาพูดกันว่าผู้ที่ส่งสติกเกอร์ในไลน์สวัสดีตอนเช้าเป็นคนแก่ มันมีประมาณสิบสิบยี่สิบอย่างนะครับที่บอกว่าคนจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นนะแต่ข้อหนึ่งก็คือบอกว่าคนที่ส่งสติกเกอร์สวัสดีทักทายประจําวันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนแก่แต่ผมก็ถูกท้วงนะครับบอกว่าแท้ที่จริงนะอันนั้นเนะี่ยทำให้ผู้อาวุโสเนีนะ่ยมีความสุขถ้าวันไหนสติกเกอร์ไม่ถูกส่งทําให้เราคิดว่าท่านเหล่านั้น คนที่ไม่ได้ส่งนั้นเป็นอะไรไปหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่านะครับนี่ผมก็ได้รับข้อคิดจากคูอาวุโสนะครับและเราอย่าปล่อยให้ท่านว้าเวนะครับมเมื่อช่วงสงกรานต์มีละครโทรทัศน์รายการหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งอยู่ในเมืองและเขาก็ทำร้านเบเกอรี่และมีลูกค้าเยอะมาก เป็นช่วง ว, วันที่เขาเองก็ได้พาคุณยายมาอยู่ในบ้านด้วยในครอบครัวในร้านด้วยขณะที่ทุกคนกำลังตีแป้งก็มีโทรศัพท์ทุกคนที่ทำงานอยู่บอกคุณยายช่วยรับโทรศัพท์หน่อยคุณยายก็รับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่เป็นครับจับมาแล้วต้องไหนอะรับยังไงก็รับไม่ทันซึ่งเป็น ลูกค้าคนสำคัญอิจต่างหากหลานก็รู้สึกหงุดหงิดมากพอคุณยายช่วยตีแป้งแป้งก็หกแป้งไม่ละเอียดมีฟองก็ต้องทิ้งแล้วก็ทําใหม่หลานก็รู้สึกไม่พอใจก็บนกับคุณแม่ของเขาเมื่อแขกมาหน้าร้านขณะที่ทุกคนอยู่ในครัวคุณยายเดินออกไป รับแขกก็ไม่ทันรับลูกค้าก็ไม่ทันลูกค้าก็เดินออกจากร้านไปอีกทุกคนก็บน่นเราน่าจะให้ยายอยู่ที่บ้านนอกก็ดีแล้วนะเราก็ไม่ต้องดูแลไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็เราก็ดูแลที่ร้านกันเองและคุณแม่ของเขาก็บอกว่าลูกเอ๋ยเราอย่าบ่นว่าท่าน หนูมีความสามารถหนูเรียนรู้อะไรมากมายแต่อาจจะมีหลายอย่างที่หนูไม่รู้เอาละหนูช่วยแม่ช่วยเข้าไปในสวนและเอาโหระพาเด็ดโหระพามาให้แม่หน่อยสิเด็กตอบว่าไงครับอะไรคือโหระพาครับแม่แท้ที่จริงแล้ว กูโอมีอะไรมากมายที่เราคิดไม่ถึงที่เราสามารถที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์จากชีวิตของท่านเหมือนเช่นที่พ่อตาของโมเสสที่เห็นโมเสสนั่งพิจารณาคดีให้คำปรึกษาประชาชนทั้งวันเหน็ดเหนื่อยจนประชาชนก็เหนื่อยใจพ่อตาของโมเสสเขาบอกว่าทําไมท่านทําอย่างนี้เล่าทําไมท่านไม่ตั้ง หัวหน้าครอบครัวเพื่อดูแลแก้ไขปัญหาครอบครัวตั้งหัวหน้าเผ่าหัวหน้าตระกูลเพื่อดูแลปัญหาในตระกูลให้คาปรึกษาในตระกูลตั้งหัวหน้าเผ่าเพื่อดูแลปัญหาในเผ่าและอะไรที่ยากยากก็ท่านค่อยเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก้ไขแก่พวกเขาและท่านเองก็จะควรจะเป็นคนที่ อธิษฐานต่อพระเจ้าและสอนกฎเกณฑ์ของพระเจ้าให้กับประชะักับผู้นำเหล่านี้ครับโมเสสได้ทําตามและงานของโมเสสก็เบาลงแล้วแต่ว่าท่านได้นําประชาชนได้ดีขึ้นขอพระเจ้าช่วยเราให้แบบอย่างการดําเนินชีวิตอันดีงามของผู้โอโซเป็นแบบอย่างที่อันทรงคุณค่าที่เราได้รับได้เห็นและเราต้องเคารพให้เกียรติ และดำเนินตามสิ่งดีงามที่ท่านได้ดำเนินมาก่อนหน้าเ่านี้เพื่อพรของพระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายเพื่อเราจะไปดีมาดีอยู่เย็นเป็นสุขขอคาระวะด้วยความจริงใจของพระเจ้าอวยพร